บทที่167ร่างที่หลุดจากแง่หินของแง่ทรายหายแวบลงไปในระหว่างซอกหินที่งอกแซมโผล่ขึ้นมาบาังของยอดหินทำให้ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้อีกกะระดับจากตำแหน่งที่ตกลงมาโดย ว, วัดเปรียบเทียบกับพื้นเบื้องล่างสูงประมาณ15เมตรมันเป็นระยะที่พอเพียงสำหรับความพิการหรือดับขันไปในทันทีในกรณีที่หล่นลงมากระทบพื้นในแนวตรง คานใหญ่ลืมเรื่องอื่นใดในยามนี้หมดสิ้นลงชั่วขณะวางปืนพิงก้อนหินไว้ออกวิ่งสุดแรงเกิดมายังเชิงผานเชิงหน้าผานั้นและปีนป่ายตามรอยแงายสายขึ้นไปโดยเร็วเพราะไม่ทราบว่าจะทำอะไรให้ดีไปกว่านี้ได้ป่าก็ตะโกนเรียกนามเจ้าคู่ปรับกึกก้องออกไปอีกสองสามครั้งซึ่งเงียบเชียบไม่มีเสียงตอบเขาปีนอย่างลนลานเร่งร้อนใจขึ้นไปยังตาแหน่งที่เห็นแง่ายพลัดหลุดร่วงลงไปนั้น จนตัวเองก็แทบจะเสียหลักตกลงมาหลายครั้งใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพร้อมกับคิดสะบัสะบานสาดแช่งต่อเหตุการณ์ดูเอาเถิดเท ว, วดาฟ้าดินเจ้าป่าเจ้าเขาจ่างกลั่นแกล้งอะไรเช่นนี้ทำกลางความหวังอันมืดมิดที่เพิ่งจะเลยเห็นช่องทางพอมีกําลังใจชื้นขึ้นแล้วก็น่าจะสําเร็จลงอย่างไม่ยากเย็นอะไรเลยชนิดนี้ที่เห็นอยู่ทนโทษแค่เอื้อมมันก็มาเกิดเหตุแทร้ซ้อนเหมือนถูกกลั่นแกล้งขึ้นอี ภาพของแง่ทรายที่พลักกล่นลงไปนั้นแม้จะมองไม่เห็นพระซอกขินบงังเขาก็บอกได้ทันทีว่าถ้าไม่ตายก็คางเหลืองขาแข้งหักแน่นอนเจ้านั่นอยู่ในระหว่างทำงานเพื่อจะช่วยนายหญิงผู้พิการไปช่วขนาดให้หายขึ้นมาแต่แล้วตัวมันเองก็กลับประสบเคราะห์กรเข้าเองซะอีกเช่นนี้จะยังประโยชน์อันใดขึ้นมาพักใหญ่ระพินก็โหนขึ้นมาถึงยอดหินอันเป็นเหลี่ยมบางภาพของแง่ทรายขนาดที่หล่นหายลงไปนั้น เขาเกาะยึดพยุงกายไว้มั่นด้วยกำลังข้อแขนอันสันดิกต้านทานกับแรงดึงดูดของโลกที่พยายามจะเหนียวให้หลุดลงไปแล้วค่อยๆชันศีรษะชะงโงกลงไปมองโดยแน่ใจว่าคงจะได้เห็นร่างของเจ้าคนคลรอรารนอนกองผ้าอยู่กะเหลี่ยมหินลูกใดลูกหนึ่งในซอกนั้นแต่แล้วก็พบกับความประหลาดใจอยู่ครามคันต่าจากระดับยอดหินตรงที่เขาเกาะอยู่เป็นช่องว่างแคบๆที่ลึกลงไปราวสี่เมตร มีพื้นเทลาดทะแยงสลับกันต่าลงไปเป็นลำดับเหมือนขั้นบันไดบนมองไม่เห็นวิ่แววของแง่ทรายเลยซอกหินอันงอกแซมอยู่ระเกะระกะเบื้องล่างเหล่านั้นระต่าลงไปสู่ช่องอันมืดคลึมเบื้องล่างเหมือนจะเป็นช่องเหี่ยวแคบๆที่คำนวณไม่ได้ว่าก้นอยู่ตรงตำแหน่งไหนหรือว่าไอ้คนเคราะร้ายล่วงลงไปกระแทกกับหินที่ขวางรับอยู่ แล้วกระโดดกลิ้งหายลงไปเบื้องล่างอันลิบเลิวนั้นชนิดที่มีโอกาสจะตามซากพบอีกแล้วง่ า, ายเขาตะโกนสุดเสียงเรียกลงไปในช่องนั้นอีกครั้งเสียงของรานใหญ่สะท้อนกลางวานไปทั่วหุบถึกเงียบสนิทมีแต่เสียงของเขาเองที่ก้องอยู่ไปมารัพินทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามเพ่งมองไปที่หินชั้นแรก ซึ่งสันนิษฐานว่าจะยังไงเสียร่างกายของแง่ทรายจะต้องล่นลงมาฟาดกระทบเป็นครั้งแรกกับระดับชะงอนหินเหนือศีรษะของเขาขึ้นไปเล็กน้อยอันเป็นตำแหน่งที่แง่ทรายเกาะห้อยตัวอยู่ก่อนที่จะพลัดหลุดขณนดูมันก็ไม่น่าจะสูงมากนะักเพราะมีที่รองรับไว้ก่อนแต่ถ้าหล่นลงไปกระทบหินก้อนนั้นแล้วเกิดหมดสติตั้งตัวไม่ได้ปล่อยร่างให้กระดอนกลิ้งลนต่อไปอีกก็น่าจะเกิดอันตรายได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามเขามองไม่เห็นรอยเลือดหรือสั ญ, ญลักษณ์ใดๆจากหินที่รองรับอยู่ชั้นแรกนั้นสิ่งที่จะทำได้ต่อไปในขณะนี้ก็คือพย า, ายามไต่ลงไปในช่องนั้นเพื่อบางทีจะไปพบร่างของแงซ า, ายติดค้างอยู่ในซอกใดซอกหนึ่งของเหลี่ยมหินผลจากระดับสายตาที่ชะโงกมองในแนวตรงขณะ น, นี้เขาค่อยๆไต่อ้อมยอดหินที่เกาะ อ, อยู่โน้มกายเอาแขนอีกข้างหนึ่ง เอื้อมไปยันกับผนังผาใหญ่ไวแต่แล้วก่อนที่จะเคลื่อนไหวอย่างใดต่อไปนั่นเอง <c oughs> ก็ก้มลงไปเห็นอะไรชนิดนึง <c oughs> เคลื่อนไหวอยู่ ย, ยังเตียนผาข้างล่างมันคลานออกมาในลักษณะสี่ขาจากกลุ่มก้อนหินหมู่ใหญ่พอออกไปสู่ที่โลง่ง <c oughs> ก็ยันกายขึ้นยืนสองขา <c oughs> เดินกระโโลกระเพลกแล้วเงยขึ้นเอามือป้องหน้าดูเขาเฮ้ยเงาใ ไอ้คนที่เห็นอยู่หลัดๆว่าพลัดร่วงลงมาจอกยอดหินแล้วจูจๆก็คลาน ม, มุ่งงามโผล่มาจากเชิงหน้าผาข้างล่างเอามือกุมบั้นเอวเดินเหมือนคนขาไม่เท่ากันส่งสีหน้าเยเกยขึ้นมาที่เขาผู้ก้มลงจ้องตะลึงอยู่เช่นนี้แล้วโบกมือให้ความรู้สึกหลายๆประการทำให้รบพินแทบจะพลัดดิ่งลงมาอีกคนนึงดีแต่สองมือโอตะครุบแง่หินไว้แน่นเรียบร้ ไอผู้กองผมไม่เป็นอะไรมากนักหรอกแค่ตาพ่อคลาเท่านั้นเงใาสายร้องตะโกนบอกขึ้นมาแล้วนั่งแกมกุดลงไปข้างล่างได้ยังไงท่านใหญ่ตะโกนถามลั่นจ้องอีกฝ่ายเขมง็งเหมือนไม่เชื่อสายตาเงใสายทํามือให้ดูก็ ม, มาไหลลงมาตามก้อนหินซอกนั้นแล้วผู้กองกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่หลายทอดแล้วมันก็หล่นลงมาอีกที ที่ซอกใต้หินระดับพื้นจุกอยู่ตั้งนานนี่กว่าจะคานโผล่มาได้นะถ้าทางเจ้าคนใช้ประจำคณะหมดเรี่ยวหมดแรงสุดตัวลงไปนั่งบนโขดหินแล้วร้องบอกต่อมาเมื่อเห็นเขาขยับจะไต่ลงมาว่าผู้กองขึ้นไปถึงบนนั้นก็ดีแล้วล่ะช่วยขึ้นบบเบลเลียงผาโยนลงมาทีเถอะผมไต่ขึ้นไปไม่ไหวแล้วล่ะ โอ้ตียมึงที่เสียรู้จนได้พักพท่าเอาียวเขาแพดเสียงเอ็ดอึงอยู่บนนั้นชูกำปั้นราแงาสายไม่โตตอบหรือพูดอะไรอีกทางสิน้นทำหน้าเย้เกยอยู่เช่นนั้นแล้วก้มลงสำรวจดูแขนขาของตนเองเฉยระพินสะบดดาขโมงโฉงเฉงเหลียวสายแลขวาตั้งใจว่าถ้าพบก้อนหินพอจะหยิบช่วยได้ก็จะคว้า ง, งไปเข็นกระบานเจ้าแงสายเสหายเดือดดานที่แพรู้ แต่ก็หาไม่ได้เลยสักก้อนเดียวมีก็แต่ก้อนหินใหญ่ๆที่เชื่อมติดกันหน้าผาเป็นพืชและแต่ละก้อนก็ลื่นไปด้วยตะไคร่จึงตกบันไดพลอยโจนจำใจต้องออกแรงปีนต่อไปโดยมีแง่ายนั่งยิงฟันแง่หน้ามองอยู่เบื้องล่างจนกระทั่งนำกายขึ้นไปถึงบริเวณ ล, ลาดลานขั้นพักนั้นอย่างยากเย็นสิ่งแรกที่เห็นขณะคลานขึ้นไปหยุดหอบอยู่ก็คือ ซากของหมีใหญ่ตัวนั้นมันนอนฟุบอยู่บนพื้นห่างจากชายหน้าผ า, าไปราวสามว่ากลางแสกหน้าระว่างดวงตาทั้งสองมีรอยเจาะของกระสุนไรเฟิลของเขาที่ยิงขึ้นมาเมื่อครู่นี้ทะลุออกท้ายทอยตายสนิทจากพื้นอังคุขระับไว้ด้วยก้อนหินนั้นลึกเข้าไปอีกไม่ไกลนักเป็นเวิร์งถ้ำตื้นๆ ต, ตรงตามที่แงซรายรายงานไว ลูกอายุประมาณสองเดือนของมันทั้งสองตัวดูเหมือนจะไม่ยอมสนใจกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะรุมกัดทึ่งอยู่ที่ซากของอะไรชนิดหนึ่งมีเขาอันโค้งงอนตะหวดและขนที่ฟูแร่าราเหมือนแกะอย่างหิวกระหายเศษเนื้อและเลือดของสัตว์ชนิดนั้นกระจายไปทั่วระพินญันกายลุกขึ้นแล้ววิ่งปราดก้าไปที่ซากนั้นโดยเร็วพร้อมกับส่งเสียงตะเพิดลั่น ไอลูกมี้รทั้งสองซึ่งมีคันอัดเท่ามาไทยเคื่องๆตกใจอาปาคูฟอตามสันดานเดิมของมันแต่ก็ถอยกรูดทำตัวงอเบียดอยู่ริมผนังด้านหนึ่งมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นลูกอ่อนเกินไปนะักแต่ก็ยังไม่อาจเป็นพิษเป็นภัยใดๆไ ด, ๆได้มันจ้องมองเขาด้วยความตรหนกระคนหวาดกลัวท่านใหญ่ไม่สนใจอะไรกับมันอีกก้มลงคว้าสองขาหลังของสัตว์ที่แงซายเรียกว่าเลี้ยงผาน้าแข็ง ลากก็มาจากเพิงถ้ำจนถึงบริเวณชายหน้าผาฉะงกหน้ามองไปเห็นแง่ทรายยังนั่งแงนมองขึ้นมาที่เดิมก็เวียงซ้าขนาดลูกกวางรุ่นรุ่นนั้นลอยละลิ้วลงไปก่อนตอนเองไต่ ย, ย้อนกลับลงมาพอย้อนตุพยอนตัวลงมาถึงพื้นหันควับไปไม่จะไต่ไอจอมกะล่อนในสมแรงแค้นที่เสียร้ก็ปรากฏพระเจ้านั่นพละลงเนินไปซะแล้วร่างของมันเดินดุมดุม ้วยอาการปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นบ่ายหน้าลงไปสู่ป่าสนเบื้องล่างระพินหมุนซ้ายหมุนขวาคว้าไร่เฟินขึ้นมากำแน่นร่ำรำจะระเบิดกระสุนตามหลังแต่แล้วก็สู้ข่มโทรสะยัดยังเสียได้ในที่สุดก็ป้องปากตะโกนด่าแม่มันลงไปอย่างดังที่สุดเอ้าที่จะมีเสียงอํานวยให้ได้แง่ท า, ายเหลียวหน้ามาโบกมือให้ผู้กอง เฝ้าเลี้ยงผาตัวนั้นไว้ก่อนให้ดีนะบุกกองนะเงี้ยไซจะไปหารากสมุนไพรรอสักครู่นะบุกกองนะแล้วมันก็หันกลับดุ่มเดินต่อไปสองหูทวนลมไม่สะดุ้งสะเทือนต่อเสียงเจริญพรไล่หลังทิ้งให้ระพินกนโคตเง่าสกราชอยู่คนเดียวกระซากเลี้ยงผาตัวนั้นเขาเดือดดานหัวเสียจนกระทั่งกลายเป็นความขัน โคลงหัวอยู่ไปมานึกตรงอันนีจังตัวเองดูเถอะขาดรู้ตัวล่วงหน้าระวังตัวแจ อ, อยู่ทุกขณะเขาก็ยังไม่ไวายหลงกลเสียท่าไอคนเจ้าเล่หลวมตัวให้มันหลอกเอาจนได้สินาจะนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ตรงนั้นนานสักเท่าใดไม่ทราบได้มารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่ได้ยินเสียงกูเรียกโวกเวกแววใกล้เข้ามา ยิงลุกขึ้นมองสำรวจไปทางต้นเสียงก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งจำนวนสี่คนเดินไต่เนินตรงมายังตำแหน่งที่นั่งพักอยู่ใต้ผานั้นเหมือนจะรู้ที่หมายดีอยู่ก่อนแล้วระพินโบกมือตอบต่างคนต่างมองเห็นกันได้ถนัดเมื่อกใกล้เข้ามาจึงเห็นว่าเป็นท่านหัวหน้าคณะชายันบุญคำและขยินซึ่งไต่ทางขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับตะโกนทักทายล่วงหน้าเข้ามาก่อน ท่านใหญ่ออกจะงงๆเล็กน้อยในจ้างของเขาทั้งสองรวมทั้งบุญคำและขยินออกตามเขามาอย่างรู้เป้าหมายได้ยังไงสําหรับการมุ่งมาตามของคนเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยมันคงเนื่องมาจากการที่รอคอยฟังข่าวของเขาในระหว่างที่เขามาตามเงาทรายและคงได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นอีกนัดนั่นเองจึงทาให้ต้องยกกาลังกันตามมาแต่เหตุใดทั้งสี่คนจึงบายหนะ้ามาได้อย่างรวดเร็ว และถูกจุดตรงเพีงเช่นนี้ทั้งสี่คนเข้ามาถึงอย่างรีบเร่งข้าวหน้าของคนเหล่านั้นไม่ได้แสดงความประหลาดใจอะไรมากนักที่เห็นเขาขนาดนี้เรากับจะรู้อะไรมาก่อนแล้วและทันทีที่เหลือเพ้นซากของเลียงผาตัวนั้นต่างก็เข้าไปรลยล้อ ม, มุงดูนี่ผู้กองที่เรียกพวกเราตกใจกันแทบแย่นะ่ะที่พอคุณพระพวกเรามาครูเดียวก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกท่านหัวหน้าคณะบอกยิ้มยิม ผมก็เชยันก็ทนร้อนใจไม่ไหวอ่ะก็เลยชวนบุญคำกับขยินออกตามมาอีกก็สวนกระแงี้ายตรงปากทางขึ้นเนินนี่เองถึงได้รู้เรื่องราวว่ามันเป็นยังไงอ๋อพบกระแงี้ายก่อนแล้วหรือครับเขาถามอาการงงๆยังเดาอะไรไม่ถูกก็พบมาตะ ก, กี้นี่เองมันบอกว่าคุณเนะี่ยใช้มันไปหารากไม้บางชนิดเพื่อจะมาเคี่ยวกับน้ามันของเลียงผาตัวนี้สำหรับให้น้อยเชษฐาบอกด้วยสีหน้าแช่มชื่นขึ้น ตาที่มองมายังเขาเป็นประกายยินดีแล้วกล่าวต่อมาว่าทําไมคุณไม่บอกพวกเราเส่นแต่แรกว่าเราพอจะมีทางแก้ไขอาการไขข้ออักเสบของน้อยได้โถร่อยพวกเราเป็นทุกข์หมดหวังอยู่ตั้งนานท่านใหญ่ขมวดคิ้วนิดนึงแล้วก็เฉลียวคิดได้ทันทีนั้นเงาสายคงจะบอกอะไรแก่ฝ่ายนายจ้างของเขาทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันเลี้ยงผาและไอเจ้าคนเจ้าเล่ก็คงจะโยนกลองทุกสิ่งทุกอย่างไม่เขาทั้งหมด ถ้าจะพิจารณาการเพียงผิวผืนก็เหมือนกับว่ามันปัดความดีทั้งหมดในเรื่องนี้ให้มาเป็นความรู้ความสามารถของเขาเพื่อให้ดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอีกในสายตาของคณะนายจ้างแต่ถ้าจะมองกันให้ลึกไอ้เปรตนั่นก็ผักความรับผิดชอบไหมเขาโดยตรงใครจ ะ, จะไปรู้ว่าไอ้น้ำมันบ้าบอของเลียงผาตัวนี้จะแก้ไขนายหญิงได้จริงหรือเปล่ากระพินเก่าไทยทอยแกร่เกรนี่นั่นมันบอกอะไรกับคุณชายหรือเปล่าล่ะครับ มันก็บอกว่าคุณใช้มันออกไปหาเลียงผาชนิดนี้เพื่อจะเอาน้ํามันกับสมุนไพราบางชนิดไปประกอบเป็นตัวยาแล้วก็บอกถึงเรื่องที่มันยิงเลียงผาลงมาติดค้างอยู่บนหน้าผาขึ้นไปเอาลงมาไม่ได้เพราะหมีใหญ่น้ำมันตะครุบซะก่อนก็ต้องรอจนกระทั่งคุณมามันถึงได้ปีนขึ้นไปเอาลงมาได้โดยคุณคอยดักยิงหมีตัวนั้นซะก่อนเสร็จแล้วคุณก็ใช้มันไปหาสมุนไพรโดยตัวคุณเองน่ะรออยู่ที่นี่มันบอกให้พวกเราตรงมาพบคุณที่นี่ และช่วยกันเอาเลียงผาตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันจะกลับไปที่พักของเราเองจอมพรานถอนใจเฮือกๆือกนึกแล้วไม่ผิดไอ้มหากล่อนเขาสบดอยู่ในใจแล้วหัวรอออกมาฮึแล้วมันบอกคุณชายหรือเปล่าล่ะครับว่าพอมันยิงเลียงผาตัวนี้หล่นลงมาค้างอยู่บนหน้าผานั่นแล้วมันก็นั่งกระดิกขารอจนกระทั่งให้ผมมาถึงนอกจากใจผมต้องมายิงหมีตัวนั้นแล้ว มันก็ยังหลอกให้ผมไตหน้าผาขึ้นไปเอาเลียงผาตัวนี้ลงมาแทนลงมาแทนมันจะอีกด้วยเชษฐาชัยยันหน้าตื่นไม่รู้เรื่องเอยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจคุณพูดอะไรรครับช่างฮะไม่เข้าใจก็แล้วไปฮะไม่มีอะไรหรอกไปงั้นเราก็กลับกันเ้อะครับเขาตัดบทแล้วหันไปวงการบุญคำกับขยินให้ช่วยกันแบกเลียงผาตัวนั้นมุ่งหน้า ที่พักโดยเร็วไม่เปิดโอกาสให้ทั้งสองซักถามอะไรอีกจิงดังคาดพอโผลกลับมาถึงที่พักก็เห็นแง่ทรายในอาการหน้าตาเฉยคอยอยู่ก่อนแล้วกำลังง่วนอยู่กับรากไม้บางชนิดที่ยังเปื้อนดินทรายอยู่จัดการเอาลงล้างน้ำในบ่อน้ำร้อนจนสะอาดแล้วลงมือทุบให้แหลกซ้ำด้วยก้อนหินโดยมีสางปลาคอยเป็นลูกมือช่วยเหลืออยู่ มาเรียซึ่งอยู่โยงคอยเฝ้าดูแลคนเจ็บเดินพลานกระสับกระสายอยู่คนเดียวพอเห็นทั้งหมดมาถึงก็ปราตมารับทันทีดูเหมือนหล่อนพอจะรู้เรื่องอะไรมาเป็นเล่าๆบ้างแล้วเพราะการมาถึงก่อนของแง่ทายจันสืบและเกิดก็ช่วยกันอย่างรีบด่วนในทันทีที่ขยินกระบุญคำหามเลียงผาตัวนั้นมาถึงไทวันทำไมคุณไม่บอกอะไรให้เรารู้ล่วงหน้าเลยทำมาตกอกตกใจกันไปหมด ตอนที่ได้ยินเสียงปืนนะัดที่สองจากคุณนะ่ะแม่มสาวพูดโดยเร็วคุณหญิงเป็นยังไงบ้างเขาไม่รู้จะตอบยังไงถึงจะไม่ให้มากเครื่องก็เลยเสียถามถึงคนเจ็บซะพร้อมกระหันไปมองเห็นดารินวราริศยังนอนสงบนิ่งอยู่ในลักษณะหลับสนิทเหมือนเมื่อตอนที่เขาผละไปไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างใดรอบตัวในขณะ น, นี้ฉันก็ดูเขาอยู่ทุกระยะไม่กระดิกตัวเลยแม้แต่นิดเดียว ว่าแต่วิธีของคุณนะพอจะมีทางช่วยน้อยหายได้จริงเหรอ <l> ก็ต้องลองดูนะการมีความหวังแม้แต่นิดเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรซะเลยเ <l> ขาอบอกแล้วเดินตรงไปที่แง่ทรายอยู่จืนคำหัวมองดูเจ้านันกำลังทุบรากไม้อยู่สองคนกระสางตาแง่ทรายดูเหมือนจะกลั้นหัวเราะค่อยๆเหลือบตาขึ้นศพ บ, บอกมาด้วยเสียงเบากระซิบกระซิบว่าผู้กอง จะเตะแง้ซรายต่อหน้าเจ้านายทั้งหลายนะครับถ้าผู้กองเป็นคนฉลาดนะ่ะระพินยิ้มแค่นแค้ น, คนฉันแพ้งโงกก่แกคราวนี้นะไม่เป็นไรหรอกแง้ทายขออย่างเดียวให้แกแก้ไขนายหญิงให้หายจริงๆเท่านั้นแต่ทาไมหายแกจะยิ่งถูกเตะอีกไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังเจ้านายของเราผู้กองผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ในเมื่อสูตรของยาขนาดนี้นะ่ยมันเป็นสูตรของผู้กองนะครับไปใช่ของผมเจ้านายทั้งหลายเขารู้กันหมดเลยเช่นนี้ว่ามันเป็นของผู้กองนะตอล้อต่อเถียงกับมันก็หาประโยชน์อันใดไม่นอกจากจะถูกยั่วเล่นเปล่าๆระพินสุดตัวลงตรงหน้าถามเป็นงานเป็นการนี่ตอนนี้นายหญิงยังหลับยาของแกจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วเราจะเริ่มลงมือเมื่อไหร่ ก็ปล่อยให้หลับสบายไปก่อนนะครับเราจะเคี่ยวน้ํามันผสมกระรากไม้เสร็จได้ที่ในตอนค่าเริ่มให้นายหญิงนวดทานในตอนนั้นแต่ต้องนวดฉลมทั้งตัวนะครับแง้สายชะงักไปนิดหนึ่งมองตาเขายิ้มยิ้มอยู่ในทีแต่เอว่าแต่ใครจะเป็นคนฉลมทาให้ทั่วตัวนายหญิงดีล่ะครับต้องนวดให้ซึมเข้าผิวหนังทุกส่วนตลอดทั้งตัวทีเดียวนะครับ จะต้องให้ผมบอกให้เจ้านายทั้งหลายทราบด้วยไหมล่ะครับว่าถ้าจะให้สัก์สิจริงนะ่ะต้องให้ผู้กองเจ้าของตำรับเป็นคนนวดทาให้เอเห็นจะไม่แคล้วบาทาแนะ่ให้ไอหนีอถอาอย้างนั้นก็ไม่มีใครเหมาะไปกว่านายแม่แนะครับเอาเป็นว่าผู้กองสั่งให้ถึงเป็นประโจมกั้นไว้โดยเฉพาะเถอะครับนายหญิงจะต้องไม่มีอะไรติดตัวอยู่เลยนะครับในขณะนั้นนะ่ะระพินถอนใจเบา ร่างออกมาว่าโชคดีนะที่เรามีผู้หญิงอีกคนนึงร่วงทางมาด้วยไม่งั้นคงคลุกคลักพี่ลึกก็ก็ไม่มีอะไรคลุกคลักนี่ครับถ้าไม่มีใครอื่นร่วมอยู่ด้วยนอกจากผู้กองกันนายหญิงเพียงสองคนรพินจุปากเบาๆโถยเว้นง้สายหมู่นี้นี่ฉันฉันรู้สึกว่าแกทะทุ่งขึ้นทุกวันน่ะ ครับยิ่งใกล้เนินพระจันทร์ยิ่งใกล้จุดหมายปลายทางแง่ายก็ยิ่งมีแต่ความเบิกบานใจนะครับหนักหรือบเบาไปบ้างผู้กองก็อย่าถือสาเลยนะครับคิดซะว่าแง่ทายนะ่ะรักนับถือผู้กองอย่างสุดหัวใจเท่านั้นอย่าลืมสั่งให้พวกนั้นแวะเอาดีของเลียงผาตัวนั้นออกมาให้แง่ทายด้วยนะครับแง่นายหญิงจะต้องกินดีของมันก่อนที่จะนวดด้วยน้ามันนะครับ เขาพยักหน้าตกไหลแงซ้ายหนักหน่วงแล้วเดินไปบงการพวกที่กำลังถลกหนังจัดการกับเลียงผาตัวนั้นอย่างรีบด่วนชั่วไม่นานนักน้ำมันจากต่อมบางส่วนของสัตว์ชนิดนั้นก็ถูกเขี้ยวอยู่ในหม้อสนามผสมกรับรากไม้ส่งกลิ่นอันฉุนเฉียวไปทั่วชนิดที่ใครนั่งอยู่ใต้ทางลมแทบจะทนไม่ไหว แงาสายนั่งเฝ้าประจำอยู่ที่หน้ากองไฟที่เคี่ยวเป็นตัวยานั้นโดยไม่ยอมลักไปไหนทั้งสิ้นเวลาล่วงผ่านไปตามลำดับท่ามกลางการเฝ้าดูของทุกคนจนกระทั่งในที่สุดความมืดก็ย่างกลายเข้ามาพร้อมกับฝอยของหิมะที่เริ่มโปรยปลายมันเริ่มตกตั้งแต่เวลาส8ปนาฬิกาและทวีหนักขึ้นทุกขณะบกคลุมไปทั่วคุ้มเขาน้นยใหญ่รอบด้าน ความหนาวเย็นอันรร้กาดไม่อาจกล้ำกลายเข้ามาเป็นภัยต่อสิบสองชีวิตภายในที่กำบังอันอบอุ่นใต้เวิงถ้ำอันมีไอระอุ ข, ของความร้อนคอยสุมลนประดุดเตาไฟขนาดใหญ่อางไว้เบื้องล่างนี้ได้ตัวยาภายในหม้อสนามอันค้นขลักถูกยกลงจับไฟและรอจนกระทั่งอุณห ภ, ภูมิจุดเดือดของมันคลายลงเหลืออุ่นๆเมื่อนั้น ดาริงจึงถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยอาการอันงัวงเงียหล่นพบกับผืนผ้าใบที่ถูกกางกั้นเป็นลักษณะกระโจมผิดแพกไปกว่าทุกครั้งและเห็นผู้สนิทชิดเชื้อทุกคนแวดล้อมอยู่ใกล้ๆผู้ที่ใกล้ที่สุดในขณะนี้และกำลังประคองช้อนศีรษะของหลอนขึ้นคือพี่ชายของตัวเองในมืออีกข้างหนึ่งถือถ้วยพลาสตรริกชูอยู่ตรงห น, น้าน้อย น้ำเสียงอ่อนโยนเต็มไปด้วยความห่วงใยนั้นแวววผ่านโสดปราสาทอันลั่นกริ่งอื้ออึงของหล่อนน้อยแข็งใจกินยานี่หน่อยนะดื่มให้หมดถ้วยนี่เลยแล้วอาการของน้อยจะหายเป็นปกติพรุ่งนี้ยาเหรอคะหล่อนอุทานเปลือกตาหนักอึ้งพยายามจะเปิดขึ้นมองเพ่งไปรอบรอบตัวในเงาสลัวของแสงไฟ จากกองฟืนที่วับแวมอยู่ยาอะไรก็ฉันเองเป็นหมอแล้วใครจะเอายาอะไรมาให้แกหมอโดยที่ตัวฉันเองไม่ได้สั่งฟังให้ดีนะน้อยเสียงหนักแน่นแช่มช้าของใครอีกคนนึงดังแทรกขึ้นจำได้ว่าเป็นเสียงชา ย, ยันโปรดเชื่อและปฏิบัติตามพวกเราสักครั้งนะน้อย นี่มันเป็นยาแบบลูกป่าที่จะช่วยให้น้อยหายจากอาการที่เป็นอยู่ได้เร็วกว่าที่น้อยจะรักษาตัวเองเพื่อว่าพรุ่งนี้เราจะได้ออกเดินทางกันต่อไปได้อย่าเพิ่งถามอะไรในขณะนี้ก่อนทั้งสิ้นนะข อ, อ ย, ยอมทําตามที่พวกเราสั่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละคนเจ็บนิ่งไปครู่หล่อนมองอะไรไม่เห็นชัดนักในภาวะอันลสลึมสลือมึนงงของประสาทเหมือนตกอยู่ในความฝันนี้ ขอฉันรู้สักนิดนะใครจัดยาให้ฉันรบพินเชษฐากระสิบบอกดาริน พ, พึมพำทวนนามนั้นแผวเบาด้วยริมฝีปากหมุบหมิบแล้วพยักหน้าอย่างว่าง่ายตกลงแต่บอกให้รู้ก่อนนะว่าไม่มีหวังหรอกหลอนเพย์เริมฝีปากออกรับกับขอบปากแก้วที่เชษฐาป้อนนั้น สัมผัสกับลิ้นครั้งแรกมันเต็มไปได้วยความขมและคืนจนแทบจะสำลักแต่ก็กลั้นใจดื่มเข้าไปจนหมดทั้งถ้วยอย่างคุนใจเด็ดหล่อนไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าจะทำตามที่ทุกคนต้องการเท่านั้น